ฟังเรื่องของปู่สังกษาย่าสังกสีก่อนคือปู่สังกษาย่าสังกสีนี่ว่ากันว่าเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกตามแบบพื้นบ้านของทางเหนือนะครับว่ากันว่าเป็นตำนานไทลือเนี่ยไทยลือก็จะเป็นพวกที่มีถิ่นฐานอยู่ในมณฑลยูนานเรื่องนี้แพร่หลายออยู่ทางตอนเหนือ ของไทยไปจนถึงสิบสองปันนาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปู่สังกษาย่าสังกสีเป็นผู้ที่มาสร้างโลกเริ่มต้นที่แผ่นดินทางเหนือของไทยเราครั้งกระโนนอย่างเตียนโลง่งมีแต่ทะเลเวิ้งวางไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์มีแต่จอมแถนควาคําว่าแถนนี่หมายถึงเทวดาจอมแถนควานี่ก็ต้องเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าแถนฟวาทั้งหลายท่านก็มีบัญชาให้ปู่สังกษา ซึ่งเป็ผู้ชายแล้วก็หญ้าสังกสีผู้หญิงเนี่ยนําเอาน้ําเต้าวิเศษลงมาอย่างพื้นโลกปู่หรือว่าหญ้าแถนฟ้าคู่นี้เมื่อลงมาถึงพื้นโลกก็ทําหน้าที่ของตัวด้วยการทุบน้ําเต้าวิเศษนั้นก็ปรากฏว่ามีมเมล็ดแห่งชีวิตออกมาม า, มากมายทั้งปู่สังกษาย่าสังกสีก็โยนมเมล็ดแห่งชีวิตนั้นขึ้นไปบนฟ้าก็เกิดเป็นตะวันที่ขึ้นเป็นบนบ น, บนฟ้านะเป็นพระจันทร์เป็นเดือนเป็นดาว มเมล็ดไหนร่วงตกลงมาบนพื้นโลกก็เกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้หลายสีหลายพันนะทีนี้ทั้งปู่ทั้งย่าก็โยนมเมล็ดแห่งชีวิตที่มาจากน้ำเต้าวิเศษไปทั่วพื้นโลกก็ใช้เวลาถึงร้อยปีสร้างมนุษย์สร้างสัตว์มากมายโดยเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาผู้ชายตุ๊กตาผู้หญิงนะที่มีความเชื่อว่าคนเราเกิดมาจากดินก็คงจะเป็นเพราะมีตำนานเล่าไว้อย่างเนี้ย เสร็จแล้วก็ทำให้ชีวิตนมีพลังให้จับคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วทั้งคู่ก็สอนภาษาสอนการหากินสอนการใช้ชีวิตอ่าเสร็จแล้วทั้งคู่ยังปั้นสัตว์ต่างๆขึ้นมาปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแก่สัตว์แต่และชนิดเหล่านั้นพอสัตว์มันมีเสียงร้องก็เลยทำให้โลกนี้มีชีวิตชีวาขึ้นนั่นเป็นตานานหรือว่านิทานของไทยลือ แล้วก็เรื่องที่จะเล่าต่อไปอีกเรื่องเป็นตำนานเรื่องขุนสวงกับนางสางอันนี้เริ่มต้นที่ขุนสวงขุนสวงนี่เป็นผีฟ้าแสงก็หมายถึงเทวดานี่แหละผีฟ้านี่นะเป็นเทวดาซึ่งเป็นเทพที่มีแสงสว่างออกมาจากตัวผีฟ้าแสงขุนสวงนี่ลงมาเที่ยวบนโลกก็ได้กลิ่นหอมของง้วนดินไอคำว่าง้วนนี่ในพจนานุกรมอธิบายว่าเขาใช้เรียกโอชะของ ของบางสิ่งเช่นง้วนดินก็คือโอชะของดินอ่ะว่าดินที่มีรสหวานผีฟ้าแสงขุนสวงนี่ได้กลิ่นหอมของง้วนดินก็ติดใจไม่ได้เดินดมเล่นเปล่าๆก็เก็บดินมากินกินแล้วก็รู้สึกมีรสอร่อยหวานมันก็กลืนดินเข้าไปพอกลืนเข้าไปมากก็อิ่มนี่หนังตองอ่ะหนังท้องก็ตึงหนังตาย่อนก็เกิดง่วงนอนขึ้นมาเลยหลับไปไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหน พอตื่นก็นมาแสงในตัวหายไปหมดเลยะกระทั่งหลงลืมมาตัวเองเป็นใครมาอยู่ที่นี่เลยยังไงมองไปรอบๆตัวก็เห็นแต่ภูเขาลํนาน้ําเกาะแก่งต่างๆมีกลางคืนกลางวันมีสัตว์ต่างๆอยู่รอบตัวมีนกมีปลาที่นี่กลับสวรรค์ไม่ได้แล้วผีฟ้าแสงขุนสวงก็เลยต้องอยู่เดียวดายบนพื้นโลกะตอนนั้นคงยังไม่มีเครื่องแต่งตัวก็าอาศัยอยู่ในถ้าบางใต้ต้นไม้บางกินดินกินลูกไม้เป็นอาหาร ก็ได้เห็นผีฟ้าแสงตนอื่นๆนะมากินงวนดินก็ไม่รู้จักก็นึกไม่ออกทั้งที่ก็เป็นผีฟ้าเหมือนกันจะเป็นอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนก็ไม่รู้กระทั่งวันหนึ่งก็มีผีฟ้าตนหนึ่งสีเหลืองทองพุ่งลงมาจากฟ้าก็แอบดูก็เห็นว่าผีฟ้าเหลืองทองนี่กำลังควักงวนดินกินอร่อยๆอยู่ๆก็เกิดนึกเรื่องราวที่ผ่านมาได้ว่าตัวเองก็เป็นผีฟ้าแสง ลงมาโลกก็เพื่อ ก, กินง้วนดิน่ะจากนั้นก็หลับไปพปอตื่นขึ้นมาแสงในตัวก็หายไปกลับสวรรค์ไม่ได้แต่แทนที่ผีฟ้าแสงขุนสวงจะเตือนผีฟ้าแสงทองเหลืองอ่าให้ให้ว่าอยากกินนะเดี๋ยวกลับสวรรค์ไม่ได้อะก็กลับเฉยซะก็คงจะคิดหาเพื่อนมาอยู่ด้วยอะ่ะผีฟ้าแสงทองเหลืองพอกินง้วนดินจนอิ่มแล้วก็นอนหลับอ่ะ มีแสงกระจายออกมาจากร่างกายเพียงสองสาคืนก็กค่อยๆรีดหายไปพอตื่นขึ้นมาก็ตกใจพยายามโดดตัวลอยกลับขึ้นสวรรค์ก็กลับไม่ได้แล้วผีว่าแสงขุนสวงเห็นก็รีบจับแล้วคว้าตัวผีว่าแสงทองเหลืองเอาไว้จะเมื่อสัมผัสถูกกายของผีงงง ว, านนมมวาผผ่าแสงทองเหลืองก็ปรากฏว่ามันนิ่มนิ่มมือก็เลยรู้ว่าอ้าวเป็นผู้หญิงนะผีว่าแสงทองเหลืองก็ ถูกจับตัวได้ก็ตกใจรอ้องอ่าเลยเป็นภาษาพูดคำแรกของมนุษย์ผีฟ้าแสงขุนสวงก็เรียกผีฟ้าแสงทองเหลืองว่านางสางแล้วว่าอีสางเพราะว่าบางครั้งผิวของนา ง, งยังจะมีแสงด้วยว่ามีสีเหลืองเรืองๆืองส่วนนางสางก็เรียกผีฟ้าแสงขุนสูงว่าอ้าสวงเพราะว่าขุนสูงมีความสูงมากกว่านะตอนนี้ก็เลยมี มีไอมีอี อ, อ, อ่าไอในผู้ชายอีผู้หญิงอยู่ด้วยกันบนพื้นโลกต่อมาทั้งคู่ก็ช่วยกันตั้งชื่อสิ่งต่างๆในโลกทั้งสองก็ครองคู่อยู่ด้วยกันมานานจนกระทั่งมีลูกพอนางสางตั้งท้องก็ให้กําเนิดลูกขุนสวงมาก็ช่วยทำคลอดดึงลูกออกมานางสางเจ็บปวดมากทนไม่ไหวโมโหพอลูกออกมาได้จับลูกฉี่กินคนที่หนึ่งก็แล้วคนที่สองก็แล้วจนถึงลูกคนที่สามถึงได้อยู่รอด ทีนี้นางสางมีประสบการณ์การคลอดแล้วคุณสวงเมื่อดึงลูกออกมาได้ก็ห้ามใม่นางสางกินลูกอีกนะเพราะลูกนางสางออกมาแล้วก็ร้องนางสางก็อุ้มแนบและก็อกเพราะปากของลูกสัมผัสกับหัวนมแม่ลูกก็ดูดกินน้ำนมแม่แล้วก็เรียกสิ่งที่ดูดนั้นว่านมที่นางสางกินลูกตัวเองในตอนแรกนั้นก็เล่ากันไว้ว่าเป็นเพราะถ้ายังเป็นผีว่า อ่าแสงทองเหลืองอยู่บนสวรรค์นการมีลูกไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่จับเอาที่น้องของตัวลูกก็จะเกิดจากน้องแล้วก็จะโตขึ้นมาเองไม่ต้องเลี้ยงดูแต่พอมาอยู่ในโลกต้องคลอดลูกเองต้องพบว่าความเจ็บปวดอแรกๆก็เลยทนไม่ได้ต้องจับลูกมาฉีกกินนางสางก็มีลูกอขุนสวงถึงแปดคนลูกทั้งแปดก็จับคู่มีลู ก, ม, ลกมีหลานสืบต่อกันมาอีกมากมายหลานก็จับคู่กันอีกแล้วแต่จะเลือกกันเอง บางทีก็ต้องให้ขุนสวงนางสางช่วยตัดสินว่าใครจะจับคู่คนไหนดีเพอได้คู่แล้วก็อาศัยอยู่เลยกันในถ้าก็คือบ้านนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของการปรึกษาผู้ใหญ่ในการเลือกคู่การแยกพี่แยกน้องรวมไปถึงประเพณีการสู่ขอในเวลาต่อมาเวลาผ่านไปขุนสวงนางสางก็เริ่มชราภาพพอเริ่มแก่ตัวก็จําลูกหลานไม่ค่อยจะได้วันหนึ่งขุนสวงก็ค่อยๆเลื่อนตัวลงจากถ้าลงมานั่งอยู่ข้างล่างเพราะแก่มากมันเหนื่อยหอบ เป็นลมไปมารู้ตัวอีกครั้งวิญญาณก็ออกจากร่างไว้แล้วพอออกไปวิญญาณก็รู้สึกสบายขึ้นก็กลับกลายไปเป็นผีฟ้าเหมือนเดิมลูกหลานเหรนมาเห็นขุนสวงก็ตกใจช่วยกันพานางสางมาเขย่าร่างขุนสวงให้ฟื้นขึ้นมาทำยังไงก็ไม่ฟื้นนางสางก็กอดผีขุนสวงอยู่หลายวันจนร่างขุนสวงเน่าเปื่อยขุนสวงก็เลยมาปรากฏร่างแล้วก็เอื้อมมือมารับผีนางสางไปด้วย ทั้งคู่เมื่อมาอยู่ด้วยกันในลักษณะนี้ก็นึกได้ว่าตัวเองเคยเป็นผีฟ้าเป็นเทวดามาก่อนเพราะเห็นแก่กินง้วนดินแล้วก็ลูกไม้ตัวก็เลยหนักกลับขึ้นสวรรค์ไม่ได้ต้องมาเผชิญชะตากรรมในโลกต้องแก่ตายร่างกายต้องเน่าต้องเปื่อยทั้งคู่เมื่อกลับเข้าร่างเดิมไม่ได้ก็มาบอกให้ลูกหลานเอาร่างเดิมไปเผาเสียลูกหลานเหลนก็ร้องเรียกหาผีฟ้าขุนสวงและผีฟ้า เหลืองทองนี่ก็ปรากฏ ร, ร่างให้เห็นเป็นเทวดาลูกหลานก็ดีใจพอไฟที่เผาร่างทั้งสองมอดดับลงลูกหลานก็เก็บเท่ากระดูกมาปั้นเป็นร่างขุนสวงนางสางนั่งคู่กันเอากระดูกนั้นมาเผาให้สุกแข็งทนแดดทนฝนหาลูกไม้มาวางเรียงกันร้องรำทำเพลงซึ่งเป็นลักษณะการถือผีในเวลาต่อมาขุนสวงนางสางเป็นห่วงลูกหลานก็เข้าสิงร่างที่ปั้นขึ้นมานั่น แล้วก็คอยพิทักษ์คุ้มครองลูกหลานตลอดมา <S <S <ess> ก็เลยกลายเป็นมีผีประจําเผ่าเกิดขึ้นเป็นผีบรรพบุรุษแล้วก็มีการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับนั่นเป็นเรื่องของขุนสวงนางสะซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าละเอียดอ่อนเพราเล่ากันมายาวตั้งแต่เริ่มต้นกําเนิดมนุษย์จนมาถึงเกิดมีพิธีกรรมต่างๆก็ทําให้รู้ว่าพิธีกรรมในท้องถิ่นมาจากไหนกําเนิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตาย พิธีกรรม ต, ต่างๆเช่นการสู่ขอพิธีเผาศพพิธีการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษเรื่องราวของเทวดากินงวนดินนี่คล้ายๆกับคติในทางพุทธศาสนาซึ่งเล่ากันในยุคตน้นโดยพระสูตรที่ว่าเนี่ยจะกล่าวถึงกำเนิดของโลกและมนุษย์ต้นกับถ้าใครสนใจก็คนกว้าดูได้จากหนังสือตำราคมภี เก่าๆนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับต่อไปเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องเจ้าชายผู้ขมังธนูครับณเมืองที่ใหญ่โตอยู่ทางฝั่งตะวันออก มีกษัตริย์ที่อยู่ในทศพิตรราชธรรมตัดสินคดีความอย่างเที่ยงตรงยุติธรรมปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยดีไม่มีความลำเอียงแก่ผู้ใดประชาชนก็รักใคร่ปลองดองกันด้วยดีพระองค์มีราชบุตรอยู่สองพระองค์ราชบุตรองค์พี่มีนามว่าเจ้าชายสีส่วนราชบุตรอ ง, องค์น้องมีนามว่าเจ้าชายนีทั้งสองพระองค์ยิงธนูได้แม่นราวกับจับวาง ประชาชนต่างก็ขนานพนามว่าเจ้าชายผู้ขมังธนูอยู่มาวันหนึ่งมีนกกระเรียนคู่หนึ่งบินมาบนเวหาเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าชายผู้ขมังธนูทั้งสองพระองค์กำลังเสด็จประพาสชายป่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์ก็เหลือบมองบนฟ้าก็เห็นนกกระเรียนคู่นั้นกำลังบินเข้ามาใกล้จึงอยากจะทดสอบฝีมือของตนเองว่ายังแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อคิดเช่นนั้นก็หยิบดอกธนูขึ้นพาด บ, บนแร่งธนู เลงเป้าหมายที่นกกรเรียนคู่นั้นลูกธนูที่ยิงออกไปเกิดไปถูกนกกระเรียนตัวหนึ่งตกลงมาตายส่วนนกกรเรียนอีกตัวหนึ่งเห็นคู่ของมันถูกลูกธนูยิงตายต่อหน้าต่อตาก็มีความโกรธแค้นต่อเจ้าชายศรีและเจ้าชายนีเป็นยิ่งนักจึงบินตรงไปยังพระราชวังเมื่อไปถึงก็ตรงไปที่กรองที่สําหรับตีสําหรับร้องทุกข์เสร็จแล้วใช้ปีกทั้งสองข้างทุบตีกรองเสียงดังสนัน่น ทหารรักษาประตูวังก็นําความไปกราบทูลพระราชาว่ามีนกกรเรียนตัวหนึ่งมาตีกลองร้องทุกข์พระราชาก็มีคําสั่งให้พานกกรเรียนตัวนั้นเข้าเป้านกกรเรียนก็ทูลร้องทุกข์ความว่านกกรเรียนผู้เป็นสามีกับข้าพเจ้าบินผ่านมาในบริเวณชายป่าทันใดนั้นก็ถูกเจ้าชายนีพระโอรสของพระองค์ที่เสด็จประพาสอยู่บริเวณนั้นยิงด้วยลูกธนูตกลงมาขาดใจตาย ท่ามกลางสายตาของประชาชนมากมายข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็นอย่างมากที่สูญเสียชีวิตของสามีก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับชีวิตของสามีด้วยพระราชาได้ฟังแล้วก็ตกพระทัยมากเพราะคิดไม่ถึงว่าจำเลยในคดีนี้จะเป็นราชบุตรของพระองค์เองแต่ด้วยเป็นพระราชาผู้มีทศพิษราชาธรรมจึงต้องไต่สวนคดีนี้ด้วยความเที่ยงธรรม แล้วผลสอบสวนออกมาว่าเจ้าชายนีมีความผิดจริงดังข้อกล่าวหาของนกกรเรียนพระราชาก็มีคำตัดสินให้ประหารชีวิตเจ้าชายนีเสียให้ตายตกไปตามกันทำให้พระราชารนดาเสียพระทัยมากและโกรธพระราชาเป็นยิ่งนักที่สั่งประหารลูกในไส้ของตนเองได้ลงคอในระหว่างที่เพชฌฆาตนาตัวเจ้าชายนีไปสู่หลักประหารพระมารดาได้แอบไปขอร้องเพชฌฆาตให้ปล่อยตัวเจ้าชายนีไป แล้วให้เอาเลือดของสัตว์มาทาที่ดาบเพื่อเอาไปให้นกกรเรียนดูด้วยความจําเป็นแล้วเรรงกลัวพระมเหสีพรฆจ้าตก็เลยต้องปล่อยตัวเจ้าชายนีไปแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าชายนีจะต้องไม่อยู่ในพระนครเจ้าชายนีก็เดินทางออกนอกเมืองทันใด น, นั้นก็เหลือบไปเห็นนกยูงทองตัวหนึ่งกาลังบินผ่านมาด้วยความเคยมือเจ้าชายนีก็คว้าธนูขึ้นมายิงไป ที่นกยุงทองตัวนั้นถูกแล้วหล่นลงมาอย่างง่ายดายสักครู่หนึ่งเจ้าชายก็เหลือบไปเห็นคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นขา้าราชการในวังเจ้าชายก็เข้าไปถามว่าจะไปไหนกันชายคนหนึ่งก็ตอบว่ามาติดตามนกยุงทองที่ใครได้กินหัวใจเข้าไปแล้วเวลาหัวเราะจะมีไข่มุกหล่นลงมาจากปากเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าชายนีก็เลยกินหัวใจนกยุงทองตัวนั้นเข้าไป หลายวันต่อมาเจ้าชายนี้ได้เดินทางไปถึงเมืองแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในเมืองเจ้าชายนี้ก็เดินทางต่อไปจนถึงบ้านเศรษฐีคนหนึ่งซึ่ง ม, มีชื่อวักคูคาเป็นคนที่ร่ำรวยมากเจ้าชายนี้รู้สึกหีิวเป็นอย่างมากก็เลยขออาหารที่บ้านเศรษฐีกินเพื่อประทังชีวิตเศรษฐีก็เลยใช้คนใช้นำอาหารมาให้ในระหว่างที่นั่งกินอาหารที่ริมน้าเจ้าชายได้นาไข่มุกมาวางเรียงรอบจาน บังเอิญคนรับใช้เศรษฐีมาเห็นข้าวก็วนำเรื่องไปบอกเศรษฐีมีความโลภอยากจะได้ก็เลยสั่งให้ลูกน้องจับเจ้าชายเอาไว้แล้วก็ได้เอาไข่มุกไปลูกสาวเศรษฐีเห็นเหตุการณ์ก็นึกสงสารเจ้าชายนีแอบเอาอาหารมาให้ที่เมืองแห่งนั้นมียักษ์ตนหนึ่งอาศัยอยู่ใต้บ่อน้ําขึ้นมาจับคนกินวันลลคนจนมาถึงคราวบ้านของเศรษฐีเศรษฐีจึงจับเจ้าชายนีไปให้ยักษ์กินเป็นอาหารแทน แต่ก่อนที่จะนำไปให้ยักษ์กินจะต้องนำไปเข้าเป้าพระราชาเสียก่อนเจ้าชายก็บอกกับพระราชาว่าตนสามารถที่จะจัดการกับยักษ์ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องให้เศรษฐีนำไข่มุกเจ็ดเม็ดมาคืนพระราชาจึงสั่งให้เศรษฐีนำไข่มุกมาคืนให้เจ้าชายเจ้าชายนำไข่มุกไปที่บ่อน้ำไข่มุกก็กลายเป็นเป็ดเจ็ดตัวเป็ดทั้งเจ็ดตัวก็ไซ้จนน้าแห้งเห็นแท่งปูนมะฮือมาอยู่ เจ้าชายก็เปะแท่งปูนล้มก็เห็นร่างของยักษ์กระโจนขึ้นมาแล้วก็จะจับเจ้าชายนีกินเจ้าชายก็คว้าธนูยิงไปยังร่างของยักษ์จนไฟลุกท่วมตัวล้มลงขาดใจตายพระราชาจึงได้ให้เจ้าชายนีขึ้นครองเมืองแห่งนั้นสืบต่อจากพระราชาและเศรษฐีก็ได้ยกลูกสาวเป็นมาเหสีปกครองเมืองเคียงคู่กับพระราชาต่อไปครับต่อไปเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องภูเท้าภูนางครับ เรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งมีนางยักษ์ตัวหนึ่งชื่อกินนานางยักษ์กินนาเนี่อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใกล้กับภูเขานางกินนาอย่างเป็นสาวไม่มีส า, ม, สามีอยู่คนเดียวโดดเดียวทุกๆเชา้านางกินนาจะเดินไปตามป่าเขาลำนาวไพรแล้วก็จะกลับมาบ้านก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารนางจะเฝ้าดูน้ําที่ไหลไปตามซอกหินและต้นย่าบ่อยครั้งที่นางจะนั่งอยู่ที่เชิงผามองพระอาทิตย์ ขึ้นแล้วก็ตกอย่างเศร้าส้อยเพียงลำพังการที่นางยักษ์กินนาใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในป่าเช่นนั้นทำให้นางคุ้นเคยกับสัตว์ป่านาน า, นานชนิดบางครั้งก็จะเห็นนางนั่งเล่นอยู่กับ น, นกเป็นจำนวนมากนกเหล่านั้นก็จะร้องเพลงให้หล่อนฟังเช้าวันหนึ่งขณะที่นางกินนากำลังเที่ยวเล่นอยู่ในป่าได้พบชายหนุ่มคนหนึ่งกลังเดินพลัดหลงอยู่กลางป่ามีรูปร่างงดงามราวกับพระอินทร์ นางกินนาใฝฝันเอาไว้นานแล้วที่จะมีสามีสักคนหนึ่งหล่อนก็รู้สึกปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อแลเห็นหนุ่มรูปงามคนนี้ขณะที่นางกินนากำลังรำพึงรำพันฝันหวานอยู่นั่นนางก็ร ะ, ะลึกขึ้นได้ว่านางเป็นยักษ์รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดเมื่อชายหนุ่มเห็นเข้าก็คงจะไม่รักอย่างแน่นอนก็คิดปลอมแปลงกายให้ดูงดงามซะก่อนนางก็ร้เวทมนต ร, ร่างจากยักษ์เป็นหญิงสาวรูปงามมีสเสน่ห์ ยากที่หญิงใดจะเทียบเคียงได้เมื่อแปลงกายแล้วนางกินนาก็ออกเดินเข้าไปหาชายหนุ่มแล้วก็ถามว่าพี่เข้ามาในป่านี่จะไปไหนเหร อ, อชายหนุ่มนั้นก็บอกว่าฉันเข้ามาล่าสัตว์แล้วก็เกิดพลัดหลงอยู่ในป่าหาทางออกไปไม่ได้อ่ะแล้วเธออยู่ที่นี่คนเดียวเหรออ่าเธอก็บอกกับฉันอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่กับนกกับต้นไม้นางก็ตอบด้วยท่าทางเขินอาย เสน่ห์ของนางกินนาก็ทําให้ชายหนุ่มเริ่มจะหลงรักเขาก็เดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ชวนพูดชวนคุยเรื่องต่างๆเมื่อเห็นหญิงสาวมีท่าทางเป็นมิตรแล้วก็ขววยเขินชายหนุ่มก็ชวนนางกินนาไปนั่งคุยที่ลานหญ้าใกล้ลาําธารเขาก็บอกชื่อของเขาให้หล่อนได้ทราบว่าเขาชื่อพุทธเสนแล้วก็เล่าเรื่องราวให้หล่อนฟังนางกินนาก็ได้ขอร้องให้ชายหนุ่มพักอยู่กับหล่อนนานๆพุทธเสนก็ยอมตกลงด้วยความยินดี พุทธเสนอยู่กับนางกินนาด้วยความสุขสำราญจนทำให้เขาลืมมานดาที่รอคอยเขาอยู่ที่บ้านวันหนึ่งนางกินนาได้บอกความลับของนางให้พุทธเสนฟังด้วยความไว้วางใจว่าพี่ฉันลืมบอกพี่ไปว่าในหีบใบนี้มีมะนาวที่ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักเหี่ยวอยู่หลายผลเป็นมะนาววิเศษที่ตกทอดกันมาตั้งแต่ครั้งย่าครั้งยายของฉันทีเดียวนะมะนาวเหล่านี้มีอานาจวิเศษมากแล้วนางก็ชวนคุย พี่เคยไปเที่ยวสวนฉันบ้างไหมล่ะไม่เคยหรอกอยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่ห่างจากที่นี่สักแปดสิบเส้นเห็นจะได้แต่ฉันขอร้องนะอย่าได้คิดไปเลยมันมีอันตรายมากพุทธเสนไม่กล่าวว่าอะไรอ่ะแต่เขาก็คิดที่จะไปดูให้ได้สักวันหนึ่งด้วยความอยากรู้ว่าอะไรคืออันตรายที่นางกินนากล่าวถึงวันหนึ่งเมื่อนางกินนาไม่อยู่บ้านพุทธเสนก็ถือโอกาสนั้นไปที่สวนต้องห้ามของนางกินนาเมื่อไปถึงพุทธเสนก็เดินไปดูรอบรอบสวนจนมาถึงคูน้ํา พุทธเสนถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเขาพบโครงกระดูกมนุษย์ทับถมกันอยู่ในคูน้ำเต็มไปหมดพุทธเสนก็นึกดาวเรื่องได้ตลอดมาว่านางกินนาเนี่ยต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็วิ่งกลับมาที่บ้านแล้วเข้าไปในห้องเปิดหีบแล้วก็หยิบเอามานาวิเศษออกมาเขาไม่รีรอให้เสียเวลารีบวิ่งออกจากบ้านไปทันทีหลังจากที่พุทธเสนหนีออกไปได้ไม่นานนางกินนาก็กลับมา เรียกหาพุทธเสนก็ไม่มีเสียงตอบตามหารอบบ้านก็ไม่เห็นมีก็ให้นึกสงสัยก็เข้าไปดูหีบที่เก็บมะนาวไว้ก็หายไปอีกนางกินนาก็รู้ทันทีว่าพุทธเสนคงจะล่วงรู้ความจริงแล้วถึงได้ขโมยหีบมะนาวหนีไปนางก็กลับกลายร่างเป็นนางยักษ์ตามเดิมแล้วออกติดตามพุทธเสนด้วยกาลังของยักษ์นางกินนาก็วิ่งตามเพียงพักเดียวก็ตามมาอยู่ไม่ห่างจากพุทธเสนมากนะัก นางกินนาก็ร้องเรียกให้พุทธเสนหยุดมาคุยกันก่อนแต่พุทธเสนไม่ยอมหยุดและด้วยความกลัวก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิน้นเมื่อเห็นนางกินนาใกล้เข้ามาพุทธเสนก็หยิบเอามาันาวในหีบออกมาผลหนึ่งแล้วคว้างไปตกที่หน้านางกินนาทันใดนั้นก็เกิดเป็นกองไฟกองมหฮือมาลุกลามกั้นนางกินนาไว้ได้ยินแต่เสียงนางกินนาร้องเรียกแต่มองไม่เห็นตัวเพราะเปลวไฟมันลุกโพลุ่ง พุทธเสนไม่รอชา้ขาขณะที่ไฟกําลังลุกโฉดช่วงอยู่นั้นเ้าก็วิ่งหนีต่อไปแต่หนีไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงนางกินนาร้องเรียกไล้เข้ามานางกินนาใช้เวทมนต์ดับไฟจนสามารถไล่ตามพุทธเสนมาได้อีกพุทธเสนเห็นว่าจวนตัวแล้วก็หยิบมานาวอีกผลนึงออกมาจากหีบแล้วกว้างไปคราวนี้กลายเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่จนมองแทบไม่เห็นฝั่งนางกินนาถึงจะเหนื่อยอ่อนแต่ก็ยังไม่ละความพยายาม นางกระโจนลงน้ำว่ายข้ามทะเลสาบมาอย่างกล้าหาญเมื่อนางกินนาว่ายมาถึงฝั่งตรงข้ามนางก็เหนื่อยอ่อนเต็มทีนอนพับอยู่ริมตะลิงนั่นเองนางไม่สามารถจะขยับเยื่อนเคลื่อนกายได้อีกก็อ้อนวอนต่อสวรรค์ขอให้ลงโทษสามีที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อนางเมื่อนางอ้อนวอนสิ้นสุดลงดวงตาของนางก็ปิดสนิทและขาดใจตายในที่สุดเมื่อพุทธเสดแลเห็นนางกินนานอนนิ่งไม่ขยับกายอย่างนั้น ก็นึกว่านางคงจะเหนื่อยอ่อนกำลังแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้แล้วพุทธเสนก็นึกสงสารนางกินนาขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนางกินนาเนี่ยดูแลเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแล้วก็รักตนด้วยใจจริงเมื่อคิดถึงความหลังขึ้นมาพุทธเสนก็ใจอ่อนเดินกลับไปแต่ก็พบว่านางกินนาขาดใจตายไปแล้วพุทธเสนก็เสียใจมากเขาล้มฟุบลงบนร่างของนางกินนาแล้วก็ขาดใจต า, ตายตามไปด้วยอีกคนหนึ่ง ร่างของนางกินนาและพุทธเสนคงอยู่ริมแม่น้ำแห่งนั้นและเมื่อเวลาหลายร้อยปีผ่านไปร่างของทั้งสองก็กลายเป็นภูเขาสองรูปเรียกว่าภูเท้าแล้วก็ภูนางครับ